พ ร, ระสกาพระคุณเจ้าที่เคารพทั้งพระคุณเจ้าที่มาจากวัดป่าสุขโตนำโดยพระอาจารย์ทรงศีลแล้วก็วัดภูมงนำโดยท่านอาทิตย์แล้วก็คุณเมชีแล้วก็โมโนทนาบุญกับญาติธรรม ที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะที่ผมจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมมาพูดคุยให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนในการดาเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ทุกครั้งที่ผมไป ผู้ที่ไหนเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะชวนคุณแม่ไปด้วยทุกครั้งทุกที่ไปทั้งเหนือทั้งใต้สมัยที่คุณแม่ท่านยังเดินได้สะดวกก็จะเจอท่านไปด้วยไปฟังคุณแม่ก็ยินดีไปแล้วก็ชอบไปในทุกปนทุกแห่ง ที่ผมได้ไปพูดธรรมะคุณไม่จะตั้งใจฟังอย่าเรียบร้อยเนี่ยนั่งข้างหน้านั่งพับเพียบหนึ่งชั่วโมงไม่ยอมขยับเลยแล้วก็พยานยจะตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมพูดเสียงโทรศัพท์ก็มีเพราะว่า คุณแม่นี่เคารพพระธรรมแป้ว่าธรรมะนั้นจ่ อ, อมาจากใครก็ตามแม้เป็นลูกชายคุณแม่จะเคารพพระธรรมแต่เรื่องการเคารพพระธรรมนี่พุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมแป้ว่าเสียงธรรมะนั้นจะเป็นใครก็ตามถ้าพูดเป็นธรรมะพุทธเจ้าก็จะเคารพในส่วนของพระธรรมวนนี้ก็เช่นเดียวกัน คุณแม่ท่านก็มาเป็นประธานในวันนี้ถรว่าเป็นประธานในงานนี้ด้วยนะแต่ผมไม่ได้พูดให้กับคุณแม่ฟังเพราะคุณแม่มีแต่ร่างกายที่ไร้วิญญาณไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดให้ท่านฟังก็คงใจให้ท่านเป็นประธานและก็นอนหลับนะให้สบาย ไม่ต้องไม่ต้องทำที่ฟังแต่ว่าผู้ที่ฟังนั่นก็คือญาติธรรมที่มีจิตวิญญาณมีขันห้ามีกลุ่มของขันห้าที่ครบห้าขันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบห้าขันทั่วเป็นรวมเป็นสังขารกองหนึ่ง แต่เป็นสังขารที่มีวิญญาณคลองสลับคุณแม่เป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณคลองวิญญาณดับไปแล้วเหลือแต่รูปประขันเปลี่ยนดังท่อนไม้ท่อนฟืนมองแล้วหาประโยชน์ไม่ได้แต่วันนี้ท่านให้เป็นประธานท่านไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความคิดอะไรแล้วแต่ผู้ที่มีขันห้า ยังมีความคิดนึกปรุงแต่งสารพัดคิดปรุงแต่งต่างๆเวียนวหวยตายเกิดในสังสารวัตก็เพราะความคิดนี่แหละเป็นสัมภเวสีเกิดเป็นสัตว์เลี้ยชานสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็เพราะความคิดปรุงแต่งนี่แหละ หยุดความคิด ไ, ได้ถ้าก็หยุดสังสารวัตรแต่ไม่มีใครสามารถจะหยุดความคิดได้เรามีเทคนิคและวิธีที่จะเอาชนะความคิดโดยที่ไม่ต้องไปปล่อยจิตให้ไปปุดไปเกิดตามความคิดที่มันปรุงมันแต่งหมายถึงนามาขันทั้งสี่เพียงเรามีความรู้ตัว อยู่กับปัจจุบันอยู่การฟังความรู้ตัวอยู่กับการฟังในปัจจุบันให้ความรู้ตัวเนี่ยมันยึดครองจิตเอาไวา้แม่้จิตมันสามารถที่จะปรุงคิดไปในอารมณ์ต่างๆที่ว่าเป็นสังสารวัตรเวียนว่ายแต่เกิดในภบชาติปัจจุบันซึ่งน่ากลัวกว่าวันหนึ่งเราเกิดหลายภพหลายชาติก็เพราะความคิดปรุงแต่งนี่ ถ้ามีความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันหยุดสังสารวัตทันทีจิตก็จะเป็นปกติผ่องใสน ย, ยึดจิตออกจากความคิดได้เขาเรียกว่าเตสังงูปะสะสัสมโสดุโขคือสงบโดยที่ไม่ปรุงแต่งอะไรเป็นวิตัางขานไม่ปรุงแต่งนะเพราะนั้นถ้าใครไม่อยากเป็นสัมเวทีนี่ตอนนี้ก็รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันนะ ปลอดภัยจากสังสารวัตรไม่เกิดหนึ่งขนาดอิดผมก็จะประลารบทำให้กับบุคคลที่มีภูมิของขันห้าฟังแต่อย่างไรก็ตามคือชื่อว่าสังขารคือการผสมปรุงแต่งตั้งแต่สิ่งหนึ่งขึ้นไปเรียกว่าสังขารย่อมตกอยู่ในกดของพระตรายลักษณ มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็แปรปรวนไปในถ้ำกลางแล้วก็มีความทุกข์ที่บีบคั้นให้คงที่อยู่ไม่ได้จนกระทั่งไม่มีตัวตนหยุดจริงเรียกว่าเป็นอนัตตานะสังขารก้งเป็นอย่างนั้นทั้งสังขารที่มีวิญญาณคลองหรือไม่มีวิญญาณครองก็าตามตกอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์ทั้งสิ้นอย่างคุณแม่ทองหลอ่อซึ่งเป็นประธานในวันนี้ เป็นครูสอนธรรมะเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นสังขารที่ไม่มีวิญ ญ, ญาณคลองหมดไปแล้วเรื่องของวิญญาณเรื่องของเลื่อแต่รูปประคั้อย่างเดียวเมื่อวันที่28เิเดือนมกราคมเวลาห้าโมงเย็นคุณแม่มีความสมมุติชื่อว่าทองหลออทองมุนุษย์เรียเรียกโดยสมมติแต่ตัวจริงท่านไม่มีชื่อหรอกมีแต่ ขันห้าในความรู้สึกของผมนะผมว่าคุณแม่ผมเนี่ยละลาจากโลกนี้ไปนานแล้วสองปีกว่าแล้วไม่ใช่เมื่อวันที่ยี่สบแปดท่านละลาจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อสองปีกว่าที่แล้วในความรู้สึกของผมที่คุณแม่มีชีวิตยืดยาวอยู่มาได้สองปีกว่าจนถึงวันที่ยนะี่สิบแปดนั้นก็เพราะ อยู่ด้วยปัจจัยสองอย่างคือสายยางกับสายใหญ่สายยางนั้นคุณหมอเพื่ที่มอบให้เป็นเทคนิคทางการแพทย์เพื่อยืดอายุสายยางช่วยในการให้อาหารทางจมูกคุณแม่ทางอาหารเอนไม่ได้กินอาหารไม่ได้ดื่มน้ําไม่ได้ แม้จะกืนน้ำลายก็กลืนไม่ได้คุณแม่หายใจเองได้เพียงนิดหน่อยต้องมีเครื่องช่วยเป็นสายยางเส้นที่สองช่วยในการหายใจแล้วเมื่อครั้งล่าสุดนในวันที่10มกราคมจนถึงภาพประมาณวันที่5มกราคมคุณแม่ออกมาจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายได้สายยางไม่เส้นหนึ่ง เครื่องดูเซมหะตามธรรมดายแล้วคนเราเนี่ยถ้ากินอาหารเองไม่ได้กลืน อ, อาหารไม่ได้กลืนน้ําลายไม่ได้หายใจเองไม่ได้แล้วก็บ้วนน้าลายสมัยเองไม่ได้เนี่ยเท่ากับไม่มีชีวิตอยู่นะจบไปแต่ตอนที่ไม่มีเครื่องช่วยแนละ้วแต่หยุดด้วยสายอย่างเพราะนั้นผมคิดว่าท่านเนี่ย ลาละจากโรนี้ไปนานแล้วสองปีกว่าแล้วแล้วสายที่่อก็คือสายใหญ่สายใหญ่แห่งความรักของลูกหลานที่ดูแลท่านอยู่ก็คือลูกหลานของท่านลูกทั้งห้าคนแล้วก็มีหลานเลน อ, อีกมากมายคอยอยู่ช่วยให้กําลังใจคุณแม่คนทั่วไปมักจะมองว่า ไอ้บรรดาสายยางกับสายใ ย, ยเนี่ยมันมีปัญหากับคนที่ต้องอยู่สภาพเช่นนี้พ่อแม่ที่ใส่สายยางก็บอกเนี่ยชดใช้นี่ก ร, รัมเวน้นนี่กรรที่เคยทำเอาไว้มันก็ถูกอยู่แล้วสายใยเนี่ยผมหมายถึงสา ย, ายใยความรังเขาอาจจะมอเป็นสายใยแห่งภาระก็ได้ใช่ไหมมักจะบองว่าเนี่ยเป็นภาระของลูกหลาน สายยางทำให้ท่านต้องใช้นี่เวกันนั่นก็เพียงมองแบบไม่แยบขายถ้าเราจะมองให้แยบขายเนี่ยเราจะมองว่าสายยางกับสายใ่เนี่ยมีคุณประโยชน์มากมีอริส ม, มากมองแบบแยบขายการที่คุณแม่ต้องใช้สายยางต่อยืดอายุมาถึงสองปีกว่านี้ท่านมีเหตุผล ไอการใช้นีิเวกกรรมนะก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเรียกว่าวิบากขันยังมีอยู่ก็ต้องใช้ไปแต่สิ่งเหล่าเนี้ยคุณแม่ยินดีนะยินที่จะใช้สายยางเราทุกครั้งที่เห็นท่านเกิดเวทนาในการที่ต้องสวมสายยางสอดสียยาเข้าจมูกแต่ละครั้งเนี่ยท่านทรมานมากผมเคยถามไปว่าคุณแม่เอามันออกไหมแม่บอกไม่เอา ไม่ใช่บอกไม่เอาด้วยความหลงนะผมก็พยายามถามแม่มันลำคานะแม่ อ, ออกไหมไม่เอาเป็นการตัดใจของคุณแม่เองว่าจะไม่เอาสายอย่ยางออกแล้วท่านยัมีความรู้ตัวอยู่ด้วยอาจจะมีความหลงลืมในอดีตบ้างก็เป็นการดีของท่านอย่างที่ท่านอาทิตย์ได้เทศไว้หลงลืมอดีตสิ่งค้างคาง ใ, ใจหมดไปเลยกับอดีตมีได้เรื่องปัจจุบันมันเป็นการดีนะชีวิตเราลืมอะไรสับ้างในโลกนี้ในที่นี้ก็ดีอยู่จะได้ไม่ลกกิดลกใจ ทุกอย่างท่านยินดีที่จะมีชีวิตอยู่เพราะท่านยินดีนี้ผมก็เลยพยายามที่จะพูดให้ท่านเข้าใจว่าไอการชดใช้นี่เวรการเนี่ยมันก็ดีนะคิดว่าใช้ก็ได้แต่ลืมม่าเราไม่คิดว่าเราสร้างขึ้นมาบ้างเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าเราสร้างสร้างบารมีขึ้นมาอย่าไปมองแน่ในการใช้อย่างเดียว เราอยู่เพื่อสร้างได้สร้างขันติบา ร, รมีบา ร, รมีความอดทนขันติบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีบา ร, รมีความเพียรแล้วก็ทานบา ร, รมีอยู่เพื่อให้ถานศีลบา ร, รมีเนกขมะบา ร, รมีคือการบวชทางด้านจิตใจปัญญาบา ร, รมีคือการรู้แจ้งเราที่ว่ามีการสร้าง คุณแม่เข้าใจว่านี่คือการสร้างการสร้างมีแต่จะเพิ่มการใช้มีแต่จะหมดเลยไหมเพราะฉะนั <c oughs> ้นสร้างหมองว่าเราสร้างอยู่เพระสร้างบา ร, รมีเนี่ยมีประโยชน์มากเราจะได้เพิ่มบา ร, รมีเพราะว่าความพร้อมความพร้อมที่จะบรรลุธรรมที่จะสิ้นทุกข์ในที่สุดเรามองแ ง, ง่การสร้างสั่งสิมันจะมีแต่การเพิ่มในส่วนที่ใช้นี่เวงกรรมก็ใช้ไปยิ่งใช้ยิ่งหมด เหมือนสตางค์ในกระเป๋าเราลองใช้ยอย่างเดียวไม่มีการหาเข้ามาเสิมันก็มีแต่จำนวนนะอยู่แล้วเป็นประโยชน์มีโอกาสได้ก็เรียกว่าแก้ตัวได้ตีตื้นชีวิตขึ้นมาได้ก่อนที่จะตายจากโลงนี้ไปมีประโยชน์ตรงนี้แหละมันยิ่งอยู่ย้อนาน้นก็ยิ่งมีประโยชน์สำหรับตัวเรานี่คือการมองในแง่ของ สร้สางสรแล้วก็ไม่ทุกได้ดีกว่าเราเกิดบันเหตุตายปับ๊บไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยอผมนี่ประสบวันเหตุแล้วมีโอกาสแก้ตัวต้อสามสิบกว่าปีโอเราสร้างในคุ้มค่าเหลือเปลือเลยนะไปใช้เมื่อไหร่ก็หมดแบ่งกันแบ่งกันให้หมดเลยผมแบ่งให้หมดเลยบารมีเพราะว่าเอาไปเลยเรามีพร้อมแล้วพร้อมแล้วบารมีเพราะว่ามีแล้วมีแล้ ว, ลวก็แบง่องออกไปนะยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งดีนะยิ่งได้มาก ไม่จะอยู่ว่าเพื่อใช้เวรกรรมไม่ใช่มันใช้อะไรมีแต่สร้างขึ้นมามันหมดไปแล้วของเก่ามีแต่สร้างมาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะถ้าเรามองในแง่เนี้ยเราจะมีความสุขนะผมไม่ได้มองในแง่บวกแต่มองในแง่ความเป็นจริงแล้วตอนนี้สายใหญ่ถ้าเรามองในแง่ของสายใหญ่ความรักไม่ใช่มองในแง่ของสายใหญ่ความระมันจะโคัรขั้วเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลย การที่เราได้ปฏิบัติคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยในสภาพใดก็าตามปนิบัติด้วยความรักด้วยความด้วยจิตใจที่ปรารถนาดีเนี่ยมันเป็นการทำบุญกับพระอรหันต์ของลูกเลยนะคุณแม่เี็กเป็นพระอรหันต์มันมีโอกาสได้ทำบุญกับท่านในตอนนี้ไม่ใช่ภาละท่านมีชีวิตอยู่ เพื่อเปิดโอกาสให้เราได้ทําบุญในช่วงสุดท้ายของชีวิตเราเคยทําไม่ดีกับท่านพูดอะไรไม่ดีกับท่านทอดทิ้งท่านเรามีโอกาสปีตื้นก่อนตายได้ตรงนี้แหละดีกว่าไปขอกรรมา้ากรมันมีประโยชน์น้อยทํากับท่านตอนมีชีวิตอยู่นี่แหละมีประโยชน์มากที่สุดเลยและท่านก็ได้เห็นและเราก็ได้เห็นทั้ที่จะเป็นภาระแต่เป็นความรักความปูกพัน กับลูกหลานทุกคนได้ตีตื้นก่อนตายก่อนที่ท่านจะตายจากโลกนี้ไปหรือเราจะตายจากท่านไปเรามีโอกาสาสร้างสาใส่ใจความรักได้ไมาแล้วเราได้เรียนรู้จากท่านจากการป่วยไข้เพื่อมาเตรียมตัวไว้เมื่อถึงทีเราบ้างเราจะทำอย่างไรการดูแลดูแลท่านด้วยความรักเนี่ยลูกหลานเห็นก็บอกว่าอ๋อนี่พ่อแม่เรานะทำกับปู่ย่าตายายแบบนี้ เราก็จะทำกับคุณแม่แบบนี้มากใช่ไหมเป็นตัวอย่างใช้วิธีการสอนแบบไม่ต้องพูดแต่ทำให้ดูมันมีประโยชน์ได้เตรียมตัวเราด้วยถึงข่าวเราจะทำอย่างไรอันนีนน้มันจึงกลายเป็นเคล็ดลับของ ล, ลูกหลานทุกคนที่ดูแลคุณแม่แรงที่ชั้นใช้สายยางแต่ลูกหลานใช้สายยาความรักดูแลคุณแม่ ที่ยังมีชีวิตอยู่พอสุดท้ายถ่าก็คงเห็นว่ า, าพอสมควรแล้วที่จะให้ลูกได้ทำบุญพอสมควรแล้วอานัน์ของลูกก็เลยลาจากโลกนี้ไปจริงๆเบอร์<ม>ที่28มกราคมเวลา5โมงเย็นไปด้วยความสงบในความสมุขขอผมเราคิดว่าท่านเนี่ยทำที่ของแม่อย่างสมบูรณ์ แล้วก็เปิดโอกาสให้ทาให้ลูกได้ทำหน้ า, าที่ของลูกด้อย่างสมบูรณ์ทุกคนจึงมีความสุขในการจากไปของคุณแม่ไม่มีใครเสียใจเลยทันทีที่ผมได้รับโทรศัพท์พี่สาวโทมาบอกว่าสุชาติแม่นิพานแล้วแล้วส่งโทรศัพท์ให้น้องน้องคนเล็กผู้ดูแลแม่อย่างใกล้ชิดก็โทรมาบอกร่างอาการต่างผมถามว่ารู้สึกเป็นอย่างไรปรกติดีน่านละใช่ ลูกของพ่อลูกแม่ต้องปกติแบบนี้การไปเศร้าโศกเสียใจมันป่วยการนอกจากเราจะเป็นทุกข์แล้วทำให้ท่านได้นอนตายตามไม่หลับทุกทำไมถ้าท่านรู้ท่านก็จะเป็นทุกข์ยิ่งกับเราดีทำไปดีแล้วที่ท่านจากโลกนี้ไปก่อนถ้าเราจากไปก่อ น, ท, นท่านท่านจะเวลาปางมามันต้องไปตามคิวบ้างน ะ, ะทุกคนปกติเราก็เลยปกติก็สบายที่เหลือทาไง ก็ทำงานทาหน้าที่ต่อไปของความเป็นลูกท่านคือครูสอนธรรมะผมมองท่านคุณแม่คือครูสอนธรรมะท่านใช้ชีวิตให้ลูกทุกคนได้ดูหลายอย่างที่ลูกหลานประทับใจในตัวท่านท่านแก่ให้ดูนะท่านเจ็บ ให้ดูโจกระทั่งตายให้ดูด้วยอันนี้ตายให้ดูจริงๆน้องสาวเล่าให้ฟังว่าในช่วงวินาทีวิกฤตที่คุณแม่จะล้มไปเนี่ยน้องพูดดูแลอยู่ใกล้ชิดเห็นอาการทั้งหมดแล้วก็เล่าให้ฟังเล่าร้องว่าเรื่องนี้แม้ผมจะไม่อยู่ในใกล้ในเหตุการณ์แต่เชื่อว่าน้องพูดจริงเพราะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละพี่สาวก็ถามว่าตัชาติ ถ้าแม่ตายไปแม่โทรมาไหมบอกรับรองแม่ทราา ม, แมทร า, าลแล้วแม่จะตายแบบเครื่องดับไม่ใช่ตายแบบอุบัติเหตุแบตบไปแบบเครื่องดับเลยมันหวนแล้วก็เครื่องดับจริงๆรินะ้าบอกว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยแลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วมีแม่มีอาการผิดปกติมากจะหายใจขัดหายใจได้ไม่เต็มที่จะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยผิดปกติ ทุกครั้งที่แม่เหนื่อยน้องก็จะเอาใช้สายอย่างที่ได้รับมอบหมายมาใหม่มาดูเซมหะน้องก็ไม่เคยทําแต่ด้วยความรักมันเกิดความกล้าหายจนสามารถที่จะฝึกดูเซมะให้กับคุณแม่ได้โดยที่ไม่เคยฝึกที่ไหนได้แต่เห็นและคิดว่าทําไม่ได้ด้วยแต่ด้วยความรักทําได้น้องทํานะทำได้ทุกอ ย, ย่างดูเซมหะเสร็จ คุณแม่ก็ยังหลับสบายแล้วก็ตื่นมาก็รู้ทุรนทุลายหน่อยน้องถามว่าแม่เป็นไรไหมแต่บอกว่าไปพูดเป็นคําสุดท้ายว่าไม่เป็นหลังจากนั้นก็ไม่พูดอะไรเลยเงียบไปรลมใจก็ค่อยอ่อนลงอ่อนลงร้อนว่าถ้าไม่ดีถ้าทางจะไม่ดีแล้วก็เลยเป็นตามพยาบาลที่อยู่ข้างบ้าน อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันตามมาช่วยปั๊มหัวใจแตเสร็จแล้วสังขารมันย่อมเป็นไปนตามกฎพระตรัลักษ์คืออนัตตาไม่สามารถจะบังคับบัญชาอยู่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยก็ให้ตั้งอยู่หมดเหตุบทใจมันก็ลายสลายคืนธรรมชาติไปไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาสังขารกลุ่มก่อนนี้นะทั้งหก็ลาละจากโลกนี้ไปด้วยความสงบ ถึ้งคำพูดไปสองคำว่าไม่ไม่เป็นคำว่าไม่เป็นเนี่ยมาจากไหนท่าทราบไหมก็ขอย้อนกลับไปเมื่อปีกว่าที่แล้วพระอาจารย์ทรงศีลหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อกลมในชีวิตคุณแม่มีแต่พระเั่นั้นแหละเนี่ยพระอาจารย์ทิพย์ <Yeah. S 1> ก็เคยไปเยี่ยมที่บ้าน หลวงพ่อกำเขียนไปเยี่ยมไข้คุณแม่ถึงที่เตียงเลยคุณแม่มีสติตอนนั้นยกมือไหว้แล้วนมมือไหว้หลวงพ่อบอกว่าคุณแม่ต้องรอรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะตอนนั้นท่านยังมีความรู้สึกตัวดีตัวนะอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับลมหายใจอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับทุกขเวทนาทางกาย อย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับร่างกายอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับอะไรเลยชีวิตไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรหลวงพ่อเฉลยว้าตรงนี้ชีวิตไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วตั้งแต่มาหลวงพ่อก็ไม่เคยใหม่คำนี้คุณแม่ก็จำเอาไว้แล้วลูกทุกคนก็เวลาเจอคุณแม่ก็แม่ท้องรอนนะไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรกับอะไรนะ ก็จำเอาไว้ก่อนที่ท่านจะละลาจากลุงนี้ไปรู้สึกเหมือนอย่างกับท่านจะมีเวทนาร่างกายกล้าหลายอย่างแต่ท่านก็มีส ต, ติเพราะท่านเคยมีพื้นฐานเรื่องการไหว้พระสวดมนตเจรตสติไปอยู่ที่วัดป่ า, าสุกโตตั้งนานอยู่เป็นไปอยู่เป็นเพื่อนผมที่วัดป่ า, าสุกโต้าคุณเคยกับคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไร พอถึงคราวละลาจากตรงนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เคยสะสมไว้เนี่ยมันก็จะแสดงตัวขึ้นมาในส่วนกุศลมีมากสติมีมากสติก็จะเบิกเอากุศลเข้ามาสู่จิตใจถ้ากาสติเอากุศลก็คล่องกันทันทีสติเป็นผู้ที่เบิกบุญเบิกกุศลออกมานะก็ถือว่าจากไปด้วยดีญาติธรรมถ้าหากว่าเราจะ ให้การจากไปของคุณแม่ทองหลอ่อไม่ตุนเปล่ามีประโยชน์มีคุณค่าและมีสาระเราก็ควรจะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพราะท่านเป็นครูสอนธรรมให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาททำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาททำในสิ่งที่ควรทำ ปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยวาง mm hmm. เท่ากับใช้ชิที่ไม่ประมาทแล้วทำในสิ่งที่ควรทำคือทำอะไร <c oughs> คือทำในสิ่งที่เรายังผัดผ่อนเอาไว้มาตั้งนานแล้วควรจะรีบทำซะการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาให้ทานเป็นนิดรักษาศีลเป็นประจา ภาวนาเป็นชีวิตคิดดีพูดดีทำดีทำสิ่งเหราเนี้ยถืว่าทำในิที่ควรทำเตรี <c oughs> ยมมาไว้แล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยวางคืออะไร <c oughs> ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจเราซะ <c oughs> เรายึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่ <c oughs> ควรฝึกที่จปล่อยวางไว้ด้วยความไม่ประมาท ถึงเวลาเราจะได้วางได้จริงๆต้องฝึกวางนะวางลูกวางหลานวางทรัพย์สมบัติวางหน้าที่กับงานวางสมัคือวางตัวตนซะวางความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนของตนซะเราจะได้ไปมือปล่าโดยที่ไม่มีใครเป็นผู้ไปโดยเฉพาะการปล่อยวาง ในสิ่งที่เรายึดมัิบถือมันคือความปล่อยวางในตัวตนโดยอาศัยวิปัสสนาภาวนาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับไม่ใช่เป็นเรื่องลึกซึ้งแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในเนื้อในตัวเราเนั่นเองการภาวนาในชีวิตประจําวันคือความรู้ตัวในการใช้ชีวิต รู้ตัวในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเริ่มลืมตาตื่นมาก็รู้ตัวเลยเนี่ยไม่ประมาทแล้วจะนอนก็รู้ตัวจะนั่งก็รู้ตัวจะยืนก็รู้ตัวเดินก็รู้ตัวจะอาบน้ำก็รู้ตัวอยู่กับปัญญายอยู่กับการใช้ชีวิตเนี่ย คือความรู้ตัวนี่คือการภาวนาแบบวิปัสนาภาวนาจะดื่มจะเคี้ยวก็รู้ตัวตั้งแต่เช้ารู้ตัวไปเรื่อยจะทําหน้าที่การงานก็รู้ตัวอยู่ปัจจุบันเมื่อหลงลืมไปก็กลับมารู้ตัวใหม่เริ่มต้นรู้ตัวใหม่ทั้งวันเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวและเราก็มีความรู้ตัวเป็นปัจจุบัน เมื่อจิตใจมันชอบมันโกรธมันเกลียดมันเกิดกิเลสก็ให้รู้ทันมันตอนนี้ให้รู้ทันที่ใจมันคิดปรุงแต่งรู้ทันใจเมื่อหละเท่ากับเป็นการรู้ตัวมันไม่ยากถ้าเราจะรู้ตัวได้จริงไม่ยากรู้ตัวคือรู้เรื่องของตัวเราเรื่องของกายเรื่องของใจพอรู้ตัวต่อเนื่องไปนานเนี่ยมันจะมีแต่รู้แต่ไม่มีตัวนะมีแต่รู้ แต่ไม่มีตัวใช่หมครัมันเริ่มย่อชีวิตลงมาแค่รู้แต่ไม่มีตัวนะเป็นการหายตัวออกมาเป็นรู้พอรู้ต่อเ น, นื่องไปนานเนี่ยเราจะนึว่ารู้นี่คือรู้บริสุทธิ์ไม่มีความคิดไม่มีการเคลือนแปลงสงสัยเป็นรู้ที่บริสุทธิ์เป็นจิตเดินแท้ๆไม่มีใครเป็นผู้รู้ มีแต่รู้กูไม่มีเป็นภาวะที่รู้เป็นภาวะที่บริสุทธิ์หายตัวหมดเนื้อหมดตัว เ, เหลือแต่ภาวะที่รู้เป็นคำตอบที่ท่านพระาจารทิพย์ได้เล่าไว้จากหนังสือคุณดังตรินว่าเจ็ดเดือนบรรลุธรรมที่หลานถามปู่ว่าปู่เมื่อคนเราเกิดมาแล้วต้องตาย แล้วพอเราเกิดมาต้ัวตายแล้วเกิดมาทําไมนี่คือคาําตอบว่าเกิดมาเพื่อทําให้ไม่เกิดไงเกิดมาเพื่อทําให้เกิดด้วยวิปัสสนาปัญญาคือรู้ตัวแบบไม่มีเราเป็นผู้รู้มันไม่ต้องเกิดล้วไม่มีตัวแล้วมีแต่รู้ล้วนๆที่เป็นธรรมชาติไม่มีตัวทําไม่มีตัวเท่ากับไม่มีการเกิดนะมันไม่มีการเกิดก่อนที่เราจะตายด้วยซําไป ผู้เจ้าตรัสได้ว่าเมื่อบุคคลมีความรู้สึกตัวกุศลธรรม ท, ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรม ท, ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนะเป็นยอดของบุญกุศลเป็นยอดบุญเนือทุกคือความรู้ตัวนี่แหละเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอเจ็ดเดือนบรรลุธรรมก็ได้เจ็ดวันก็บรรลุธรรมได้ ถ้าเราสามารถทําความรู้ตัวต่อเนื่องเป็นลูกโซ่แบบไม่ขาดสายตั้งแต่เช้าเปิดมากระทั่งหลับไปทําต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะด้วยความรู้ตัวนี่พระเจ้าตรัสไ้ว่าอย่างช้าเจดปีอย่างกลางเจดเดือนอย่างไวเจดวันถ้าไม่เป็นผระัพธ์ในพรบันนี้ก็เป็นพระนาคามี ถ้าไปพ น, นากามีเราก็เป็นกัญยาณนะปุตชนชีวิตอยู่ก็มีความหมายเมื่อตายก็มีความหวังไปสู่สุคติแน่นอนถ้าจะให้การจากไปของคุณแม่ทองหล่อธรรมุนุ่มไม่สูญเปล่ามีสาระและมีคุณค่าสหลหรับผู้ที่อยู่บนโลกนี้ก็ค <c oughs> <ๆ>ือดำเนินที่ดุความไม่ประมาท ทำในสิ่งที่ควรทำปล่อยวางในสิ่งที่เราจะยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ปล่อยวางซะถ้ากับเราดำเนินชีวิตที่ไม่ประมาทมันก็ทำให้เราเป็นบุญบุญส่วนสหรับคุณแม่ทองหล่อทองมดรุ่มด้วยและเราเองก็มีชีวิตที่มีสาระมีประโยชน์มีความภาคภูมิใจมีความสุขในชีตปัจจุบันก็ผงคิดว่ามันสมควรเก็บเวลาลนะ สมควรแก่กาลังเพราะว่ายิ่งดึกแบตเตอรี่มันก็จะหมดที่พูดอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามีแบตเตอรี่สํารองที่ไม่ได้ชาร์จด้วยฟ้าแต่ชาร์จด้วยพลังธรรมให้ตั้งอยู่ได้นะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าจากวัดป่าสุกโตแล้วก็พระคุณเจ้าจากวัดอุโมงและที่ลืมเสียไปได้ก็คือ วันที่29พระอาจารย์ปรามมดปราพูดโมชโชได้เมตตาไปเยี่ยมสพคุณแม่ถึงที่บ้านมันเซอร์ไพรส์มากนะแล้วก็พระอาจารย์สนอง เ, อเล่าลัยที่ได้มีเมตตามาพูดธรรม ะ, สะแสดงธรรมะรวมทั้งจรยิยธรรมที่มาฟังกระขออนุโมทนาบนด้วย แต่ว่าเป็นบุญกับคุณแม่ทองหลอ่อแล้วก็เป็นบุญกับญาติพี่น้องทุกๆคนของคุณแม่ทองหลอลูกหลานก็กราบขอบพระคุณนะสุดท้ายนี้ก็ขอปวยพอเนี่ยกับย่ายทําทุกท่านตัวมีความเจริญมีความผาสุกมีสติปัญญาและมีดวงตาเห็นธรรมทําชีวิตให้สิ้นทุกข์ก่อนสิ้นชีวิตด้วยการทุกท่านทุกคนเถอ